พระติดตามพระโมกขาลาจากนั้นพระโมกขาลาลงมาถึงตีนเขาท่านเห็นเปลดในาญาณทัศนะของท่านคือไม่ใช่เห็นด้วยสายตานะเห็นใยญานนณทัศนะคือเห็นด้วยฌานของท่านด้วยญาณความรู้พิเศษของท่านท่านเห็นท่านก็เลยเยิ้มค่ะค่ะเยิมเย้มให้ปรากฏ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 ดันดีขึ้นไปบนต้นไม้ต้นท้องฟ้านะ่จะให้เป็นรูปอะไรเอ่อทีนี้ก็เด็กน้อยทั้งหลายเด็กนักเรียนทั้งหลายเขาก็เห็นในเปียในเตีย้ยในเปีย่ยนะไปอยู่ที่ต้นไสอยู่ที่ต้นไสใหญ่อยู่นอกเมืองออไปก็ว่าเ อ, อ้ในเตีย้ยจะทำอะไรเนี่ยผมจะ ด, ดีใบไซอ ย, อยู่ข้างบนจะให้เป็นรูปช้างรูปมา้ารูปอะไรได้ทั้งหมด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 ลายชาก็เรียกมาให้เปีย้ยเขามาไอเปีย้ยตะแกดีแอั น, นี้ใช่ไหมใช่ครับเอเรามีเรื่องอย่างหนึ่งที่จะให้เธอเธอเธอช่วยดีดนะดีดได้ไหมจะทำเรื่องอะไรครับคือมีอมาตะคนหนึ่งนะเวลาเราพูดขึ้นมาเนะี่ยพูดเราพูดเพียงคำเดียวนะอมาตะคนนี้พูดต่อเนื่องไปจนเราพูดไม่ออกพูดไม่ได้ลําคาญเหลือเกิน อยากจะให้ตะแก่เนี่ยเวลาอัมมาศพูดขึ้นมาเน่ะเอาดีดขี้แพะเข้าปากได้ไหมได้่านเนี่ยในในเปียว่านะปลปแต่งั้นงรับปาแล้วก็เอานายเปียเข้าไปนะเวียงวังพกไปนี่วังกั้นม่านใช่มกั้นม่านพระราชาขึ้นสนทนาปาลบเรื่องประชุมราชการแต่นายเปียก็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 แต่มีโทษมากกว่าเพราะมันฆ่าใครก็ได้ศิลปะตัวนี้นะแต่บุรุษคนนั้นก็ไม่ลดละภความพยายามเข้าไปอุ ป, อปถัมประเอาใจไอ้เปียวกันไอ้เปีย๊ยดออูเห็นว่าเป็นคนดีมีน้ำใจมันคงไม่มีทับคงไม่ทำอะไรมกักงไอ้เปีย๊ยก็เลยประสิทธิ์ประสัดวิธีการสอนวิ ช, ชาให้พอได้วิ ช, ชาขึ้นมาแล้วแต่นี้ผมจะลาแล้วอาจารย์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 นับถือเลื่มใสพระประเจกมีมากอยู่พอเข้ามาเอกนมเอกโง่ที่ไปฆ่าพระประเจกเนี่ยก็เดินตามหลังเข้ามาพอเดินเข้ามาก็เห็นพระประเจกจจำได้โห้ยผมเนี่ยแล้วเป็นผู้ดีดก้อนกวดใส่เข้าหูพระประเจกเ์ผ่าองค์นี้พอว่าแต่นนั้ น, นชาวบ้านก็ก็เลยอ้าวจัาบไอ้นี่มันฆ่าพระประเจกของเรานะ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 จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอกับแนวความคิดเราการเป็นอยู่ของเราเนะนี่ยแหละนาชาดกฤติทานเรื่องนี้นะเนี่ยสอนในหลายแนวเหมือนกันแล้วกัการทําความชั่วนะเห็นไหมตายแล้วไม่ไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกนะต้องต้องได้ใช้าบาปใช้กรรมแต่คนธรรมดาก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าพระโบรคารานีท่านรู้เพราะเหตุหอะไรเพราะท่านมีญาน